ธรรมยมกหนึ่งปนติวาระอุเทศ 1. ปึ่งทโสธนวานอนุโลม 1. สภาวะที่เป็นกุศลเป็นสภาวธรรมที่เป็นกุศลใช่ไหมสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นสภาวะที่เป็นกุศลใช่ไหมสภาวะที่เป็นอกุศลเป็นสภาวธรรมที่เป็นอกุศลใช่ไหมสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นสภาวะที่เป็นอกุศลใช่ไหม สภาวะที่เป็นอัพยากฤิตเป็นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตใช่ไหมสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตเป็นสภาวะที่เป็นอัพยากฤิตใช่ไหมฟังข้อ17ปัจจนีกะสองสภาวะที่ไม่เป็นกุศลเป็นสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลเป็นสภาวะที่ไม่เป็นกุศลใช่ไหมสภาวะ ที่ไม่เป็นอกุศลเป็นสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลเป็นสภาวะที่ไม่เป็นอกุศลใช่ไหมสภาวะที่ไม่เป็นอัพยากฤิเตเป็นสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤิตใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤิเตเป็นสภาวะที่ไม่เป็นอัพยากฤิตใช่ไหมฟังข้อ18 2. ปทะโสธนะมูรจักรวาลอนุโลม สสภาวะที่เป็นกุศลเป็นสภาวธรรมที่เป็นกุศลใช่ไหมสภาวธรรมทั้งหลายเป็นสภาวธรรมที่เป็นอกุศลใช่ไหมสภาวะที่เป็นกุศลเป็นสภาวธรรมที่เป็นกุศลใช่ไหมสภาวธรรมทั้งหลายเป็นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตใช่ไหมฟังข้อ19 4. สสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นสภาวธรรมที่เป็นอกุศลใช่ไหม สภาวธรรมทั้งหลายเป็นสภาวธรรมที่เป็นกุศลใช่ไหมสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นสภาวธรรมที่เป็นอกุศลใช่ไหมสภาวธรรมทั้งหลายเป็นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิใช่ไหมฟังข้อยี่สหสภาวะที่เป็นอัพยากฤิเป็นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิใช่ไหมสภาวธรรมทั้งหลายเป็นสภาวธรรมที่เป็นกุศลใช่ไหม สภาวะที่เป็นอัพยากฤิตเป็นสภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤิตใช่ไหมสภาวธรรมทั้งหลายเป็นสภาวธรรมที่เป็นอกุศลใช่ไหมฟังข้อ21ปัจจณิกะ 6. สภาวะที่ไม่เป็นกุศลเป็นสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลใช่ไหมสภาวะที่ไม่เป็นธรรมเป็นสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลใช่ไหมสภาวะที่ไม่เป็นกุศล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 ข้อยี่สสุทธรรมวานอนุโลม 9. สภาวะที่เป็นกุศลเป็นสภาวะธรรมใช่ไหมสภาวะธรรมทั้งหลายเป็นสภาวะที่เป็นกุศลใช่ไหมสภาวะที่เป็นอกุศลเป็นสภาวะธรรมใช่ไหมสภาวะธรรมทั้งหลายเป็นสภาวะที่เป็นอกุศลใช่ไหมสภาวะที่เป็นอัพยกฤตเป็นสภาวะธรรมใช่ไหม สภาวธรรมทั้งหลายเป็นสภาวะที่เป็นอัพยากฤตใช่ไหมฟังข้อ25ปัจจณิกะ 10. สภาวะที่ไม่เป็นกุศลเป็นสภาวะที่ไม่เป็นธรรมใช่ไหมสภาวะที่ไม่เป็นธรรมเป็นสภาวะที่ไม่เป็นกุศลใช่ไหมสภาวะที่ไม่เป็นอกุศลเป็นสภาวะที่ไม่เป็นธรรมใช่ไหมสภาวะที่ไม่เป็นธรรมเป็นสภาวะที่ไม่เป็นอกุศลใช่ไหม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 สภาวธรรมทั้งหลายเป็นสภาวะที่เป็นอพยากฤิใช่ไหมฟังข้อ27 12. สภาวะที่เป็นอกุศลเป็นสภาวธรรมใช่ไหมสภาวธรรมทั้งหลายเป็นสภาวะที่เป็นกุศลใช่ไหมสภาวะที่เป็นอกุศลเป็นสภาวธรรมใช่ไหมสภาวธรรมทั้งหลายเป็นสภาวะที่เป็นอพยากฤิใช่ไหมฟังข้อ28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 เป็นสภาวะที่ไม่เป็นอ ก, กุศลใช่ไหมฟังข้อส2สองปนัตติวารุเทศจบหนึ่งปนัตติวารนิเทศหนึ่งปทัสโสนาวานอนุโลมสิเจอนุลมุจฉาสภาวะที่เป็นกุศลเป็นสภาวะธรรมที่เป็นกุศลใช่ไหมวิจัชนาะใช่ปฏิโดมปุจฉา สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นสภาวะที่เป็นกุศลใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวะที่เป็นอกุศลเป็นสภาวธรรมที่เป็นอกุศลใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นสภาวะที่เป็นอกุศลใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวะที่เป็นอัพยากฤต เป็นสภาวธรรมที่เป็นอ bueno, ัพยากฤิใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิเป็นสภาวะที่เป็นอัพยากฤิใช่ไหมวิจัชนาใช่ปัจจณิกะเ8 <18. S 1> อนุโลมปุจฉาสภาวะที่ไม่เป็นกุศลเป็นสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลใช่ไหมวิจัชนาใช่ ปฏ ian, infect, ิรมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็น <clears> ก Clear ุศลเป็นสภาวะที لم, ่ไม <Yes, S 1> <intéressant S 2> ่เป็นกุศลใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวะที่ไม่เป็นอกุศลเป็นสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลเป็นสภาวะที่ไม่เป็นอกุศลใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวะที่ไม่เป็นอัพยากฤิ เป็นสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤิใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤิเป็นสภาวะที่ไม่เป็นอัพยากฤิใช่ไหมวิจัดชนาใช่ 2. องปทัสโสธนามูลจักรวาลอนุโลมสิบอนุโลมปุจฉาสภาวะที่เป็นกุศลเป็นสภาวธรรมที่เป็นกุศลใช่ไหมวิจัชนาใช่ ปฏิโรมปุจฉาสภาวธรรมทั้งหลายเป็นสภาวธรรมที่เป็นอกุศลใช่ไหมวิจัชนาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นสภาวธรรมก็ใช่เป็นสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นสภาวะที่ไม่เป็นอกุศลแต่เป็นสภาวธรรมอนุโลมปุจฉาสภาวะที่เป็นกุศลเป็นสภาวธรรมที่เป็นกุศลใช่ไหมวิจัดชนาใช่ ปฏิโรมปุจฉัลสภาวธรรมทั้งหลายเป็ น, รรปนภนะสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตใช่ไหมวิจัดชนาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นสภาวธรรมก็ใช่เป็นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นสภาวะที่ไม่เป็นอัพยากฤิตแต่เป็นสภาวธรรมยีสอนุโลมปุจฉัล สภาวะที่เป็นอกุศลเป็นสภาวธรรมที่เป็นอกุศลใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโรมปุจฉาสภาวธรรมทั้งหลายเป็นสภาวธรรมที่เป็นกุศลใช่ไหมวิจัชน e. าสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นสภาวธรรมก็ใช่เป็นสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นสภาวะที่ไม่เป็นกุศลแต่เป็นตภาวธรรม อนุโลมปุจฉาสภาวะที่เป็นอกุศลเป็นสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโดมปุจฉาสภาวะธรรมทั้งหลายเป็นสภาวะธรรมที่เป็นอภิยากฤิใช่ไหมวิจัดชนาสภาวะธรรมที่เป็นอภิยากฤิเป็นสภาวะธรรมก็ใช่เป็นสภาวะธรรมที่เป็นอภิยากฤิก็ใช่สภาวะธรรมที่เหลือเป็นสภาวะที่ไม่เป็นอภิยากฤตแต่เป็นสภาวะธรรม21 อนุโลมปุจฉาสภาวะที่เป็นอัพยากฤิตเป็นสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิตใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวะธรรมทั้งหลายเป็นสภาวะธรรมที่เป็นกุศลใช่ไหมวิจัดชนาสภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นสภาวะธรรมก็ใช่เป็นสภาวะธรรมที่เป็นกุศลก็ใช่สภาวะธรรมที่เหลือเป็นสภาวะที่ไม่เป็นกุศลแต่เป็นสภาวะธรรมอนุโลมปุจฉา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 ยี่ิบสองอนุโลมปุจฉาสภาวะที่ไม่เป็ e กนกุศลเป็นสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลใช่ไหมวิตัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวะที่ไม่เป็นธรรมเป็นสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลใช่ไหมวิตัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวะที่ไม่เป็นกุศลเป็นสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลใช่ไหมวิตัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉา สภาวะที่ไม่เป็นธรรมเป็นสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอภิยากฤิใช่ไหมวิจัชนาใช่ยีสอนุโลมปุจฉาสภาวะที่ไม่เป็นอกุศลเป็นสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอกุศลใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวะที่ไม่เป็นธรรมเป็นสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกุศลใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉา สภาวะที่ไม่เป็นอกุศลเป็นสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอกุศลใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวะที่ไม่เป็นธรรมเป็นสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิตใช่ไหมวิจัชนาใช่24อนุโลมปุจฉาสภาวะที่ไม่เป็นอัพยากฤิตเป็นสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤิตใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉา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 อนุโลมปุจฉาสภาวะที่เป็นกุศลเป็นสภาวธรรมใช่ไหมวิจัิชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมทั้งหลายเป็นสภาวะที่เป็นกุศลใช่ไหมวิจัิชนาสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นสภาวธรรมก็ใช่เป็นสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นสภาวะที่ไม่เป็นกุศลแต่เป็นสภาวธรรมอนุโลมปุจฉา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 เป็นสภาวธรรมใช่ไหมวิตัตชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมทั้งหลายเป็นสภาวะที่เป็นอัพยากฤิใช่ไหมวิตัตชนาสภาวธรวธราามที่เป็นอัพยากฤิเป็นสภาวธรรมก็ใช่เป็นสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นสภาวะที่ไม่เป็นอัพยากฤิแต่เป็นสภาวธรรมปัจจีกะ26อนุโลมปุจฉา สภาวะที่ไม่เป็นกุศลเป็นสภาวะที่ไม่เป็นธรรมใช่ไหมวิจัชนาเว้นสภาวะที่เป็นกุศลแล้วสภาวะธรรมที่เหลือเป็นสภาวะที่ไม่เป็นกุศลแต่เป็นสภาวะธรรมเว้นสภาวะที่เป็นกุศลและสภาวะธรรมแล้วสภาวะธรรมที่เหลือเป็นสภาวะที่ไม่เป็นกุศลก็ใช่เป็นสภาวะที่ไม่เป็นธรรมก็ใช่ปฏิโดมปุจฉา สภาวะที่ไม่เป็นธรรมเป็นสภาวะที่ไม่เป็นกุศลใช่ไหมวิจติชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวะที่ไม่เป็นอกุศลเป็นสภาวะที่ไม่เป็นธรรมใช่ไหมวิจติชนาเว้นสภาวะที่เป็นอกุศลแล้วสภาวะธรรมที่เหลือเป็นสภาวะที่ไม่เป็นอกุศลแต่เป็นสภาวะธรรมเว้นสภาวะที่เป็นอกุศลและสภาวะธรรมแล้วสภาวะธรรมที่เหลือเป็นสภาวะที่ไม่เป็น อกุศลก็ใช่เป็นสภาวะที่ไม่เป็นธรรมก็ใช่ปฏิรลมปุจฉาสภาวะที่ไม่เป็นธรรมเป็นสภาวะที่ไม่เป็นอกุศลใช่ไหมวิตัชชาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวะที่ไม่เป็นอัพยกฤิตเป็นสภาวะที่ไม่เป็นธรรมใช่ไหมวิตัชชาเว้นสภาวะที่เป็นอัพยากฤิตแล้วสภาวะธรรมที่เหลือเป็นสภาวะที่ไม่เป็นอัพยกฤิตแต่เป็นสภาวะธรรม เว้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตและสภาวธรรมแล้วสภาวธรรมที่เหลือเป็นสภาวะที่ไม่เป็นอัพยากฤิตก็ใช่เป็นสภาวะที่ไม่เป็นธรรมก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวะที่ไม่เป็นธรรมเป็นสภาวะที่ไม่เป็นอัพยากฤตนะใช่ไหมวิตัิชนาใช่สีสุดธรรมมมูลและจั ก, กรวาลอนุโลมยี่อนุโล ม, มปุจฉา สภาวะที่เป็นกุศลเป็น yes. yes. สภาวะธรรมใช่ไหมวิจตชนะใช่ปฏิโรมปุจฉาสภาวะธรรมทั้งหลายเป็นสภาวะที yes. ่เป็นอกุศลใช่ไหมวิจตชนะสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลเป็นสภาวะธรรมก็ใช่เป็นสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลก็ใช่สภาวะธรรมที่เหลือเป็นสภาวะที่ไม่เป็นอกุศลแต่เป็นสภาวะธรรมอนุโลมปุจฉา สภาวะที่เป็นกุศลเป็นสภาวะธรรมใช่ไหมวิจัชนาะใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวะธรรมทั้งหลายเป็นสภาวะที่เป็นอัพยากฤิใช่ไหมวิจัชนาสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นสภาวะธรรมก็ใช่เป็นสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤตก็ใช่สภาวะธรรมที่เหลือเป็นสภาวะที่ไม่เป็นอัพยากฤิแต่เป็นสภาวะธรรมย .8 อนุโลมปุจฉา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 วิจัชนะใช่ปฏิโรมปุจฉาสภาวธรรมทั้งหลายเป็นสภาวะที่เป็นอัพยากริตใช่ไหมวิตัชนะสภาวธรรมที่เป็นอภพยากริตเป็นสภาวธรรมก็ใช่เป็นสภาวธรรมที่เป็นอภพยากริตก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นสภาวะที่ไม่เป็นอัพยากริตแต่เป็นสภาวธรรมยี่ิเกอนุลโลมปุจฉา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 เว้นสภาวะที่เป็นอกุศลแล้วสภาวธรรมที่เหลือเป็นสภาวะที่ไม่เป็นอกุศลแต่เป็นสภาวธรรมเว้นสภาวะที่เป็นอกุศลและสภาวธรรมแล้วสภาวธรรมที่เหลือเป็นสภาวะที่ไม่เป็นอกุศลก็ใช่เป็นสภาวะที่ไม่เป็นธรรมก็ใช่ปฏิโรมปุจฉาสภาวะที่ไม่เป็นธรรมเป็นสภาวะที่ไม่เป็นอกุศลใช่ไหมวิตัิชนาใช่อนุโลมปุจฉา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 เป็นสภาวะที่ไม่เป็นอัพยากฤิใช่ไหมวิจัดชนาใช่ 32. อนุโลมปุจฉาสภาวะที่ไม่เป็นอัพยากฤิเป็นสภาวะที่ไม่เป็นธรรมใช่ไหมวิจัดชนาเว้นสภาวะที่เป็นอัพยากฤิแล้วสภาวะธรรมที่เหลือเป็นสภาวะที่ไม่เป็นอัพยากฤิแต่เป็นสภาวะธรรมเว้นสภาวะที่เป็นอัพยากฤิและสภาวะธรรมแล้ว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 สภาวธรรมที่เหลือเป็นสภาวะที่ไม่เป็นอัพยกฤิแต่เป็นสภาวธรรมเว้นสภาวะที่เป็นอัพยกริดและสภาวธรรมแล้วสภาวธรรมที่เหลือเป็นสภาวะที่ไม่เป็นอัพยากฤิก็ใช่เป็นสภาวะที่ไม่เป็นธรรมก็ใช่ปฏิโลมปุชชาสภาวะที่ไม่เป็นธรรมเป็นสภาวะที่ไม่เป็นอกุศลใช่ไหมวิจัชนาใช่ปณติวารนิเทศจบ